ประเทศจีนนะมีปราชญ์คนหนึ่งนะมีชื่อเสียงมากอายุาเกิดเมื่อประมาณ 2,000 ปีที่แล้วชื่อว่าจางจื้อนะหรือบางคนก็เรียกว่าจวงจื้อเคยเขียนเป็นเป็นเรื่องเล่านะสั้นๆ น, นะว่าเวลาข้าแม่น้ำเนี่ย ถ้าเกิดมีเรือเปล่าเรือเปล่าคือเรือที่ไม่มีคนนะนะมาชนเรือกันเชียงที่กาลังข้ามแม่น้ำถึงแม้ว่าคนที่กาลังพายเรืออยู่นะจะเป็นคนที่ขี้โกรธขี้โมโหแต่ถ้ารู้ว่าเรือที่มาชนนั้นไม่ไม่มีคนเป็นเรือที่ว่างเปล่าก็คงจะ ไม่โวยวายอะไรเพราะไม่รู้ว่าจะโวยวายกับใครแต่ถ้าเรือที่มาชนเนี่ยมันมีคนนะแล้วก็จะตะโกนด่าที่แรกอาจจะโวยวายก่อนแต่ถ้าเรือยังไม่หยุดนะยังจะพุ่งเข้ามาชนก็จะต้องด่าแล้วก็ถ้าชนก็อาจจะมีการทะเลาะเบาแวงกันไถึงขั้นลงไม้ลงมือ แต่แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าเรือที่มาชนนั้นเป็นเรือที่ว่างเปล่าแล้จังจื้อก็สรุปว่าเนี่ยให้ทําตัวเหมือนเรือที่ว่างเปล่านะถ้าทําตัวเหมือนเรือที่ว่างเปล่าก็จะไม่มีเรื่องเดือดร้อนนะไม่มีใครมาโวยวายนะไม่มีใครมาะทะเลาะ บ, บอกแวงด้วย คำสองจางจื้อนี่ก็คล้ายๆกับพุทธศาสนานะที่สอนเรื่องความว่างนะหรือว่าทําใจให้ว่างเปล่าจากตัวตนนะเมื่อทําใจให้ว่างเปล่าจากตัวตนหรือว่างเปล่าจากความยึดมั่นในตัวตนเนี่ยนะก็จะมีความสุขนะไม่มีเรื่องเดือดเนือ้อลอนใจ ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีใครว่าไม่มีใครด่านะแต่ว่าก็จะไม่ทุกร้อนอะไรด้วยเพราะว่าคำด่า ว, ว่านั้นมันก็เหมือนกับก้อนหินที่คว้างไปในอากาศนะเราลองนึกภาพเนี่ยเอาเราคว้างก้อนหินไปในอากาศเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าเอาก้อนหินคว้างใส่ข้างฝาเนี่ยมันก็จะมีเสียงดังข้างฝาก็จะสะเทือน หรือว่าถ้าหากว่ามันไม่ใช่ข้าง้าแต่มันเป็นกระจกเอาก้อนหินขว้างากระจกก็แตกนะคนส่วนใหญ่เนี่ยก็ทำตัวนะเหมือนกับ เ, เรือที่ไม่ว่างนะเรือที่มีคนหรือว่าทำใจแทนที่จะว่างแต่เป็นใจที่ มันมีตัวตนอยู่หนาแน่นนะอย่าว่าแต่ก้อนหินเลยนะเพียงแค่ลมปากเนี่ยพอได้ยินลมปากนะหรือว่าลมปากมากระทบนี่ก็สะเทือนเลยนะสะเทือนคือมีความทุกข์นะเราไม่ใช่สะเทือนเฉพาะตอนนั้นนะสะเทือนทั้งวันทั้งคืนจนกินไม่ได้นอนไม่หลับโมโหขับแค้นนะกลัดกลุ้มใจ อันนี้ก็เรียกว่าเพราะไม่ได้ทําตัวเหมือนเรือเปล่านะอย่างที่จังจือเขาว่าไว้แต่ถ้าทําใจให้ว่างนะเหมือนเรือเปล่านี่ใครก็จะพูดอะไรไปก็ไม่เดือดเนื้อร้อนใจนะมีเรื่องเล่าว่าสมัยที่หลวงพ่อประสิทธิถาวโรนะท่านยังมีชีวิตอยู่นะท่านเป็นผู้บุกเบิกนะสร้างวัดทําใหญปริกก่อศรีชังันะแต่ก่อน ท่ามปริกก็เป็นท่นที่ไม่มีใครอยู่ท่านมาพำนักนะมาพำนักบ่อยคข้ามาจามพันษาก็เห็นว่าเป็นภูมิประเทศที่ดีสงบสงัดก็เลยสร้างวัดทิ้ น, นันก็ปรากฏว่านะนักเลงท้องถิ่นแถวนั้นก็ไม่พอใจ หาเรื่องทะเลาะ ก, กับท่านแต่ท่านก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรมีคราวหนึง่งท่านทางวัดกำลังสร้างกำแพงสร้างกำแพงล้อมวัดนะมันจะได้หมดปัญหาเรื่องความขัดแย้งเรื่องข้อพิพาทเรื่องที่ดินก็มีการเอาศิลาแรงนี่มากองไว้ที่หน้าวัดเพลินคนที่เอามา กองเอาไว้เนี่ยเขาก็อาจจะไม่ระมัดระวังก้อนที่มันก็เลยเหลื่อมล้มเข้าไปในพื้นที่ของชาวบ้านที่อยู่หน้าวัดประมาณสักหนอนิ้วเท่านั้นแหละมันเหลื่อมล้มเข้าไปไม่ได้มากอะไรเหลื่อมนิดหน่อยนะบังเอิญเจ้าของที่เนี่ยเป็น นักเลงท้องถิ่นก็มั่งนะก็มีเรื่องขัดแย้งกับวัดนะเกี่ยวกับเรื่องที่ดินพอตอนเย็นนี่เขามาเห็นกองหินเนี่ยที่ว่ามันมาเหลื่อมล้ำเข้าไปในที่ของเขาเขาก็ลงจากรถมาแล้วก็โวยวายนะตะโกนมายังวัดเนี่ยมาหน้าวัดเลยว่า เอาหินมาเอาดินเอาหินมากองไว้บนที่กูทำไมขนออกไปเดี๋ยวนี้พวกมึงคนออกไปเดี๋ยวนี้นะนนออนนะชี้นิ้วเอามือชี้มาที่หลวงพ่อประสิทธิ์นะซึ่งกำลังนั่งเอกคณเอกอยู่นะบนกุฏินะใกล้ๆหน้าวัดนะพอท่านได้ยินท่านก็เลยลุกมาแล้วก็บอกว่านะจะเอาอะไรกับพระกับ นะกับพระ ก, กับเจ้ายังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะขนหินขนดินออกไปนะนะขอเวลาหน่อยนะเพราะตอนนั้นมันก็เย็นแล้วนเร็วนะก็ไม่พอใจนะก็บอกว่าเนี่ยพวกมึงขนออกไปเดี๋ยวนี้นะถ้าไม่ขนนี่กูจะไปแจ้งตํารวจไปแจ้งแนมเพอ มาจับพวกมึงให้หมดนะไอ้พระเฮงซวยนะหลวงพ่อทันดีท่า น, นก็ยิ้มนะท่านก็ไม่ว่าไรแล้วก็นั่งฉันน้ําต่อนะเหมือนกับว่าคานะําด่าตอเนี่ยทําอะไรท่านไม่ได้เลยลองนึกนะว่าถ้าเป็นเราเนี่ยมีคนดาวาเป็นพระเฮงซวยเนี่ยหลวงแม่ชีเฮงซวยเนี่ยนะจะรู้สึกอย่างไรนะอาจจะรู้สึกเลื่อยขึ้นหน้าขึ้นมาเลยว่า มาพูดกับกูอย่างงี้ได้ยงไงกูเป็นพระนะทำไมไม่มีสัมมาคารวะนะหรือฉันเป็นชีนะทำไมมาพูดกับฉันอย่างนี้นะความรู้สึกว่ามันยังมีฉันนะฉันเป็นพระฉันเป็นชีเนะีนะ่ยเนี่ยอันนี้เลยว่ามันไม่ใช่เหลือที่ว่างแล้วนะมันมีตั ว, ม, ตวมีตนก็ต้องเจ็บต้องปวดต้องแค้นนะนะแต่หลวงพอระสิท์นี่ท่านเหมือนกับว่าไม่ได้ยินเลย ไอ้คำพูดเหล่านั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับก้อนหินที่คว้างไปในอากาศนะไม่กระทบกับอะไรทั้งสิ้นนะก็ไม่เกิดเสียงดังนะไม่เกิดการแตกรา้าไม่มีกระจกขวางไม่มีหินกำแพงหินลับแรงกระแทกจากก้อนหินที่คว้างลงมาท่านก็ยิ้มพอว่ารุ่งขึ้นนะในอำเภอก็มา ก็มาตรวจมาลังวัดก็เห็นว่ามันก็นิดหน่อยเองนะยังงงแลว้วไม่เห็นเป็นเรื่องเป็นราวเลยทำไมแค่นี้ทําไมถึงเป็นเรื่องเป็นราวได้ก็เป็นการจบนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นคนเราเนี่ยถ้าหากว่าทำใจให้ว่างนะมีตัวมีตนน้อยเนี่ยไอ้คําพูดคําจาอะไรถึงแม้มันจะหยาบคายนะมันก็ ไม่ทำให้สะดุ้งสะเทือนหรือทำให้จิตใจวันไหวนะ น, นี่เป็นการบ้านนะที่ทุกคนต้องฝึกนะแล้วก็ต้องผ่านไปให้ไดนะ้เพราะว่ามันเป็นธรรมดามากนะไอ้คำต่อว่าด่าทอแม้แต่พระุทธเจ้า ก, ก็หนีไม่พ้นนะไม่ใช่ถูกต่อว่าทั้งทีนะ่บางทีถูกใส่ร้ายนะบางทีถูกใส่ร้ายว่าฆ่าคนด้วยนะ ในสมัยพุทธกาลเนี่ยก็มีสมัยที่พระองอยู่ที่เชตวันนะพวกเดรธีเดรธีก็คือ ก, ก, ก, ก็คือพวกที่เป็นเจ้าลัทธินะข้ก็รู้สึกเสียผลประโยชน์เพราะว่าใครต่อใครก็หันมาสมาทานพระัตนตรตยนับถือพระพุทธเจ้าลาบสักการะก็น้อยหลวงก็เลยหาทางโค่นล้มก็เลยออกอุบายให้ผู้หญิงคนหนึ่ง ชื่อนางสุนทรีแก้งทำตัวใกล้ชิดกับผู้เจ้าเวลาตอนเย็นญาติโยมเดินออกจากเชตวันนางสุนทรีก็เดินเหมือนกับว่าเดินสวนมันก็จะเข้าไปในเชตวันพอเช้าตรู่ญาติโยมเดินเข้ามาที่เชตวันเพื่อจะมาใส่บาตนางสุนทรีก็เดินออกมาเหมือนกับว่าค้างคืนที่นั่น ทำนี้อยู่หลายวันนะเสร็จแล้วจู่ๆก็เพราะว่านางสนทรีนี่กลายเป็นศพนะพวกเดรัีนี่เล่นแรงมากนะวางแผนหลอกล่อให้นางสนทรีเนี่ยเข้าไปทำตัวใกล้ชิดเสร็จแล้วก็กำจัดพอพบศพเข้าก็มีการก็มีการใส่ร้ายว่าในผู้เจ้าเนี่ยฆ่าปิดปากนะเพราะว่า ได้ทำมีดีมีร้ายนะหรือว่าไปซ่องเสพกับผู้หญิงคนนี้ก็เลยพอเขาจะแชร์โพก็เลยปิดปากนะาการฆ่าคนนี้เรื่องใหญ่นะโดยเพราะาผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องหานี่คือพระธิเจ้านะซึ่งเป็นนักบวชก็มีการ ลือไปทั่วทั้งเชตะ ว, วันเลยคนเชตะ ว, วันนี่อ่ะทั่วทั้งสาวัตถีเลยคนสาวัตถีนี่ก็เชื่อง่ายนะทั้งที่ผูจานี่อยู่กับอ่าอยู่ที่เมืองเมืองนี้นะอยู่ที่เชต ว, วันมาเป็น10พันษาอยู่หลายปีทีเดียวแล้วก็ชาวสาวัตถีก็ศรัทธานับถือ แต่พอมีการปล่อยข่าวลือแบบนี้ก็เชื่อง่ายเหลือเกินกลายมาเป็นศรัทธาที่งอนงันคลอนแคลนมากผู้คนก็ลุมด่านะพระเจ้าหรือว่าดินทากันเสซ่งแซ่เลยพานนท์ก็บอกว่าเนี่ยนิ ม, มนต์พระเจ้าว่าให้ให้หนีไปดีกว่านะผู้คนนี่ไม่เป็นมิกฉาพระพุทธเจ้าเลยแต่พระองค์ก็บอกว่าอ ไปหนีที่ไหนก็มันก็ไม่อาจจะหนีนินทาพน้นปัญหาอยู่ที่ไหนก็ต้องแก้ที่นั่นนะไม่หนีนะพระเจ้าไม่หนีแล้วก็ไม่เดือดร้อนด้วยสุดท้ายความจริงก็เปิดเผยนะัหลังจากนั้น7วันว่าคนที่ฆ่านาะงสุนทรีนี่ก็คือมือไม้ของพวกเดลตีนั่นเองไปจ้างมาฆ่าตัวลังฆาตกรนั่นก็โดนนะโดนประหารชีวิต ผู้คนพอรู้ความจริงเขาก็กลับมาสรรเสริญพระพุทธเจ้าใหม่พราะว่าพู้จานี้เป็นผู้ที่หนักแน่นมั่นคงที่จริงตัวเองต่างหากที่ไม่หนักแน่นมั่นคงนะคือพวกชาวเมืองเมื่อวานซืนนี่ยังชมอยู่เลยพอถึงเมื่อวานนี้ก็ด่าแล้วพอมาถึงวันนี้ก็ชมใหม่นะ อันนี้เรียกว่าโลกธรรมนะโลกธรรมคํา ส, สรรเสริญคําชื่นชมนะมันเอาแนวนอนไม่ได้วันนี้ชมพรุ่งนี้ดานะ่านี่ยอย่าไปปลื้มนะเวลาชมใครชมก็จะไปปลื้มมากนะให้เตือนใจว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะเจอคําด่าแทนก็ได้มีคนเขา พูดไปดีนะให้คอคิดดีเขาบอกว่าเนี่ยคำสารเสริอมคาชมเนี่ยก็เหมือนกับหมากฝรั่งเหมือนกับหมาฝรั่งนะพวกเราคงรู้จักหมาฝรั่งหมาฝรั่งเนี่ยเคี้ยวได้นะแต่ว่าอย่ากลืนนะนะเคี้ยวเสร็จก็ต้องถมนะแต่ต้องถมให้เป็นที่นะนะถ้าถมไม่เป็นที่มันวุ่นวายถ้าไปถมที่ประเทศสิงคโปร์นี่ก็ถูกจับได้คําสารเสริมเหมือนกับ มากฝรั่งนะเคี่ยวได้มันก็อร่อยดีนะแต่ว่าอย่าเ ก, กลือนนะยึกเกลือแล้วเนี่ยมันเป็นโทษต่อร่างกายใครชมเราก็เออก็รับฟังเอาไว้อย่าไปปลื้มมากอย่าไปคิดสําคัญมากมายว่าเราเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเขาชมว่าเราเก่งก็จะไปคิดว่าเราเก่งอย่างที่เขาว่าเพราะวันดีคืนดีเขาหาว่าเราเหงื่อซวยนะไม่เข้าท่าเนี่ยเราก็จะพลอยวันไหว ไปสำคัญมาหมาว่าเออเราแย่ยจริงนั่นจะไปเข้าชมเราเราก็ไม่ปลืม้มไม่ลหลงไหลก็ขอบคุณเมื่อถึงเวลาที่เขาด่าก็จะไม่ทุกข์นะอันนี้คือการเข้าใจในเรื่องโลกธรรมนะแต่ว่าถ้าเราเข้าใจธรรมชาติหรือสัจธรรมความจริงเนี่ยก็จะเห็นลึกไปถึงขั้นว่าจริงๆแล้วนี่ มันไม่มีตัวเราไม่มีตัวฉันนะใครชมนะคมชมเหล่านั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับชมเรือที่ว่างเปล่านะก็ไม่ได้เกิดความดีใจอะไรขึ้นมาเวลาตาหนิต่อว่าก็เหมือนกับขว้างหินใส่เรือที่ว่างเปล่าก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเราก็ฝึกได้นะฝึกได้จากฝึกการลดละตัวตนนะได้จาก คำสารเสสน์และคำดินทานี่แหละถึงแม้ว่าตอนนี้ยังมีความยึดมั่นในตัวตนอยู่นะแต่ว่าการที่ถือเอาคำต่อว่าหรือว่าคำสารเสสน์เนี่ยมาเป็นแบบฝึกหัดนะแทนที่จะเอาจริงเอาจังกับมันว่าเออเขาชมเราเขาด่าเรานะไอ้คำว่าเราเราเราเนี่ยถ้ามันยังมีอยู่นะ่นมันทุกข์เสมอนะ เขาด่าฉันด่าฉันเนี่ยคนที่โกรธเวลาเจอคำด่าคำตอว่าเพราะมันมีฉันเขาด่ากูเขานินทากูเนี่ยถ้ามีตัวกูนี่เมื่อไหร่เนี่ยมันทุกเมื่อ น, นั้นนะมันไม่ได้ทุกเพราะคำนินทานนะคำนินทานเนี่ยถ้ามันพุ่งใส่คนที่ไม่มีความยึดมั่นในตัวกูเนี่ยมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะเหมือนกับ ความก้อนถินใสอากาศนะ่ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ถ้ามีความยึดมั่นในตัวกูเนี่ยก็เหมือนกับมีกระจกขวางเอาไว้มันก็แตกนะจิตใจที่แตกก็คือจิตใจที่ทุกข์นะมันมีมันมีความสำคัญมากมว่าตัวกูตัวกูตลอดเวลาไอ้ความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยนะมันเป็นเรื่องเป็นราวเพราะมันมีกูนะความทุกข์เนี่ยเป็นธรรมดา แต่ว่าพอมีผู้ทุกมีกูัทุกเนี่ยมันไม่ธรรมดาแล้วอั น, นต้องพยายามทําให้อะความรู้สึกว่าตัวกูเนี่ยมันมีน้อยลงไปเรื่อยๆนะถึงตอนนั้นเนี่ยถ้ามันหมดเมื่อไหร่นี่ก็ไม่มีผููทุกไม่มีกูัทุกนะตรงนี้ก็จะเรียกว่าเป็นเหมือนเรือเปล่านะก็สบายไปไหนมาไหนก็ได้ปลอดโปรง่ง การรับมือกับความไม่เข้าใจผิดนี่เปนเรื่องธรรมดาที่เราต้องฝึกเอาไว้สมัยที่หลวงพ่ออมเฉียนท่านมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆนี่ท่านไปสร้างศูนย์เด็กนะจะใช้ว่าสร้างก็ดูมว่าจะกลายเป็นการสร้างอาคารอะไรที่จริงไม่ใช่นะก็แค่ใช้สาราวัดนี่แหละแล้วก็เอาเด็กมาเลี้ยงนะท่านไม่รู้โดยซ้ำว่านั่นคือศูนย์เด็กแต่ว่า พอเรื่องนี้เนี่ยทางราชาการรู้เข้าก็เกิดความระแวงเพราะว่าชัยภูมิไม่เคยมีศูนย์เด็กมาก่อนนะหลวงพ่อนท่านทําศูนย์เด็กแห่งแรกของจังหวัดชัยภูมินะศูนย์เด็กแห่งแรกของชัยภู ม, นะนมินี่อยู่บนเขานะซึ่งการคมนาคมไม่สะดวกและบังเอิญประมาณปีสองหนึ่งเนี่ยมันเป็นเขตเป็นเขตเรียกว่าสีชมพูนะตอนนั้นคอมมิวนิสต์นี่ก็ มีฐานที่มั่นอยู่แถวเพชรบูรณ์นะไม่ไกลจากที่นี่แล้วก็เขาก็มาลาดตระเวนกันบนหลังเขานี้เนะพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีฐานคอมมิวนิสต์มาป้วนเปี้ยนอยู่ทางราชการก็จับตานะผู้คนบนหลังเขาก็พอเห็นหลวงพ่อท่านทำศูนย์เด็กก็เกิดความระแวงว่าหลวงพ่อนี่เป็นแนวร่วมคอมมิวนสิสต์เปล่า มาสร้างสมัครพรรคพวกนะเพื่อเอามาเป็นเครื่องเมืองคอมมิวนิสต์เพราะว่าไม่มีพระรูปไหนทําแบบนี้นะแหนอ่อำเภอก็ถึงกับไปไปกล่าวหาหลวงพ่อในที่ประชุมข้าราชการประจำำรําอําเภอว่าเนี่ยประจําเดือนว่าหลวงพ่อนี่เป็นแนวร่วมคอมมิวนิสต์อดีหนะ้าที่ยังไม่ว่าว่าเป็นคอมมิวนิสต์นะแค่ว่าเป็นแนวร่วมมาเล่นการเมืองบนหลังเขา มาสร้างพักพวกมาสร้างเครือข่ายเนี่ยเรื่องนี้ก็มาถึงหูหลวงพ่อนะท่านก็เฉยนะไม่ได้ทุกร้อนอะไรวันดีคืนนีก็มีทหารขนขึ้นรถมาลงที่วัดพร้อมอาวุธ ค, ครบมือนะเหมือนกับทำนองเป็นขู่หลวงพ่อท่านก็ไม่ว่าอะไรท่านก็บอกว่าเนี่ยเออเขาสงสัยก็ดีเป็นกันนะ เขาจะได้มาหาความจริงเมื่อเขามาหาความจริงเขาก็จะรู้ว่าเราไม่มีอะไรนะหลายคนเนี่ยพอรู้ว่ามีคนระแวงสงสัยมีคนกล่าวหานี่ทุกข์ร้อนเลยนะอันนี้เพราะว่าความยึดมั่นในตัวกูยังมีเยอะนะพอเขาใครเขาว่าอะไรชั้นเนี่ยจิตใจก็หวั่นไหวนะตุลพ่ท่านนะไม่มีความหวั่นไหวเรื่องแบบนี้ ใครก็จะต่อว่าท่านบางทีชาวบ้านก็มาต่อว่าท่านมากล่าวหาท่านท่านก็เฉยท่านก็ยิ้มนะคำถ่อยคำเหล่านั้นทําอะไรท่านไม่ได้บางครั้งก็มันกัเจอหนักกว่านั้นนะท่านเล่าว่าเคยกลางคืนเนี่ยท่านจํำมาที่สาลาก็มีชายติดอาวุธนะสามสี่คนมาหาที่ศาลา บอกว่าเป็นทหารทหารป่านะเขาก็ระแวงสงสัยท่านว่าท่านเป็นสายของรัฐบาลหรือเปล่าเพราะว่าลงไปข้างล่างเป็นประจำไปส่งข่าวหรือเปล่าที่จริงท่านลงไปข้างล่างนี่ท่านเข้าเมืองนะเพื่อจะไปะแสดงธรรมหลวงพ่อเทียนขอให้ท่านไปช่วยงานท่านก็ไปขอแก่นกรุงเทพหาดใหญ่เนะี่ยท่านก็ลงไปบ่อย ไปวัดสนามไหนก็หลายครั้งพวกฐานป่านี่ก็เราแวงว่าท่านเป็นสายให้รัฐบาลไหมตอนนั้นท่านก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะท่านคิดว่าเนี่ยเขาคงจะมากำจัดท่านละท่านก็นิ่งแล้วนะท่านก็นึกในใจเออตายก็ดีเหมือนกันนะคือแม้ว่าไม่แน่ใจว่าจะจะเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าจะต้องตายก็จิตใจก็ไม่หวั่นไหว นะนี่ถ้าเกิดมีความยึดมั่นในตัวกูนี่มันจะกลัวมากเลยนะกลัวตายนี่กูจะต้องตายแล้วหรือเนี่ยให้คำว่ากูจะต้องตายแล้วหรือเนี่ยมันทำให้กลัวตายมากเลยแต่ใช่ว่าหลวงพ่อไม่มีความรู้สึกแบบนี้ น, ะนั่นท่านเหมือนกับเรือที่ว่างเปล่าไม่มีความกลัวตายนะมันมีแต่ความตายนะแต่ไม่มีผู้ตายนะ ถ้าเข้าใจธรรมะเนี่ยก็จะรู้ว่ามันมีความทุกแต่ไม่มีผู้ทุกพระพุทธเจ้าเคยตรัสว่าเนี่ยมันไม่มีอะไรนอกจากทุกนะแล้วไม่มีอะไรนอกจากการดับทุกนะผู้ทุกก็ไม่มีนะไอ้พู้ทุกนี่เป็นสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาเนื่องจากมีความยึดมั่นในตัวกูหรือมีความสังคายมาหมายว่ามีตัวกูของกูมันก็ไปยึดเอาความทุกมาเป็นของกูนะก็เลยเป็นผู้ทุกนะ ความตายมีแต่ไม่มีผู้ตายนะแต่เพราะความหลงนะยึดมันในตัวกูงก็เลยไปยึดเอาความตายมาเป็นคูเป็นของกูไปคนเราเนี่ยถ้ายังมีตัวกูอยู่มันก็ยังกลัวตายนะมันมีคําพูดว่ารักตัวกลัวตายก็คือเพราะรักตัวจึงกลัวตายนะที่รักตัวเพราะมันคิดว่ามีตัวกูให้รักตัวกูนะเป็นสมบัติที่ต้องหวงแหนเอาไว้ แต่รู้ว่าถ้ารู้ว่าพกความจริงว่ามันไม่มีตัวกูนะทั้งเนทั้งตัวนี้ก็มีแต่รูป ก, กับน้านะไม่มีตัวกูซอกซ่อนอยู่ตรงไหนและรูปน้ำนั่นก็ไม่ใช่ตัวกูของกูเนะี่ยถ้าเห็นความจริงแบบนี้เนะี่ยมันก็มันก็สละนะวางปลดเปลืงความยึดมั่นในตัวกูของกูได้ก็เรียกว่าว่างเปล่านะว่างเปล่าจากตัวกูอันนี้ก็เหมือนกับเรือที่ว่างเปล่านะเรือเปล่า เดี๋ยวจว่าแต่คำต่อว่าด่าทอเลยนะถึงเวลาที่เจออะไรหนักๆเข้าก็ไม่ทุกนะถึงแม้จะมากระทบกายก็ทุกแต่กายแต่ใจไม่ทุกนะหลวงพ่อพรประสิทธิ์ท่านเล่าว่าเนี่ยเคยที่ท่านไม่ได้เล่าเนี่ยคนหนึ่งก็เล่ามากกว่าวันหนึ่งก็มีพระนะมาหาพร้อมกับถือไม้หน้าสามถามว่าท่านแน่หรือหลวงพ่อพรประสิทธิ์ก็ตอบว่าผมไม่แน่ นะขนาดพูดอย่างนี้แล้วนะเขายังไม่ยอมเลยนะเอาไม้หน้าฝานมาฟาดท่นานฟาดอย่างแรงนะท่านก็ไม่ต่อสู้นะระหว่างที่เขาฟาดนี่พอเนื้อกระทบตัวท่านเนื้อกระทบศีรษะท่านท่า น, นก็นึกในใจว่าเนื้ อ, อเนื้อหนังมังสารนี่เป็นของเน่าเปือยนะไม่ได้ทุกร้อนอะไรเลยพอฟาดอีกทีก็เลือดอาบมาท่านก็นึก ตั้งสตินึกในใจเออเอาเลือดอาบธรณีสงก็ดีเหมือนกันท่านมองว่าดีเหมือนกันนะดีเหมือนกันก็ให้ฟาดนะฟาดอยู่หลายทีจนกระทั่งโยมเนี่ยมาเห็นก็มาห้ามเอาไว้มันลากพระรูปนั้นไปหลวงพ่อท่านก็โดนจะไปหลายสิบเข็มเป็นสิเข็มแต่ท่านไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไรเลยนะตอนหลังพระรูปนั้นก็ถูกจับศึกนะแล้วก็มาขอเข้ามาท่านท่านก็นะไม่ว่าอะไรนะ ท่านบอกเวรย่อมไม่ระ ง, งับด้วยการจองเวรถ้าไม่จองเวรกับเขาไม่ได้โกรธเข้าด้วยแต่ท่านก็บอกว่าเนี่ยใครทําอะไรไว้มันก็ต้องรับกรรมนะอันนี้ก็การที่หลวงพ่อประสิทธิ์จะทํางั้นได้นี่เรียกว่าตัวตนท่านน้องน้อยมากนะถูกฟาดนะกายทุกข์นะแต่ว่าใจไม่ได้ทุกข์ด้วยกายปวดใจไม่ได้ปวดด้วยไม่มีความรู้สึกโกรธเลย เพราะว่าไอสิ่งที่ฟาดมันก็ฟาดแต่กายนะแต่ว่าฟาดไม่ถูกไม่ถูกกูไม้นาสามเนี่ยมันฟาดได้แต่ถูกร่างกายนะแต่ไม่ถูกกูเพราะมันไม่มีตัวกูนะอยู่ที่จะต้านทานนะหรือจะรับแรงกระแทกนะอันนี้ก็เป็นการบ้านนะเป็นการบ้านสำหรับพวกเรานะเพราะว่า ในชีวิตของพวกเรานี่คงจะต้องมีอะไรจงเจออะไรที่มันมากไปมากไปกว่าคำต่อว่าด่าทอคำต่อว่าด่าทอเนี่ถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยจิบจอยนะหรือไม่แต่คำใส่ลายแต่นักปฏิบัติธรรมหลายคนเนี่ยทั้งนั้นที่มุ่งจะปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์เพือนนพ่อนิพพานนะแต่พอเจอลมปากเขาก็เสสัสัดสัดเนะนะีผ่านไม่ผ่านเลย เราปฏิบัติธรรมจำนวนมานี่ไม่ผ่านแม้กระทั่งไอ้โลกธรรมที่เป็นแค่ลมปากนถ้าโลกธรรมแค่นี้ยังวันไหวนี่แล้วจะเจอโลกธรรมที่มันหนักกว่า น, นั้นจะทําอย่างไรเช่นความเจ็บความป่วยนี่ยความเจ็บความป่วยนี่มันมันของจริงนะมันยิ่งกว่าลมปากเองนะลมปากนี่ได้ยินมันกระทบผูปั๊บเดี๋ยวมันก็หายไปแล้วแต่ความเจ็บปวดนี่มัน มันคงมันอยู่ยั่งยืนเลยนะอยู่เป็นวันอยู่เป็นอาทิตย์อยู่เป็นเดือนหนระือเพราะถ้าเป็นโรคร้ายเนี่ยบางทีอยู่เป็นปีเนี่ยมันไม่ใช่มาแค่ประเดี๋ยวประเดี๋ยวอย่างลมปากนะงั้นถ้าเกิดว่าลมปากนี่ยังไม่ผ่านเนี่ยยังมีความสว ก, กุลเจ็บกูทุกข์นะยังมีตัวกูอยู่เต็มเป่าเนี่ยรับรับแรงกระแทกของลมปากเนี่ยยังสั่นสะเทือนแล้วเจอความทุกข์เนี่ย ไม่ต้องโดนไม่ต้องถึงกับโดนไม้หน้าสาก็ไดนะ้แต่ว่าเจอความเจ็บปวดนะจากโรคทําให้เกิดทุกขเวทนาอย่างแรงเนี่ยแลย้วมีความส ก, กูทุกข์กูเจ็บกูปวดอย่างนี้จะผ่านไปได้อย่างไรนะมันต้องฝึกถึงขั้นว่าเออมันมีแต่ความปวดกายแต่ใจไม่ปวดนะมีความปวดมีความเจ็บแต่ไม่มีกูพูดเจ็บไม่มีกูพูดทุกข์นะนต้องฝึกให้ได้นะ อย่างนี้มันหึงจะผ่านไปได้จะทำตัวจะฝึกฝนแค่เป็นคนดีอย่างเดียวไม่พอนะแต่ก็ยังดีนะที่ยังฝึกที่จะพยายามฝึกให้มีให้เป็นคนดีนะถ้ายังละตัวตนไม่ได้ยังมีความรู้สึกว่ามีกูอยู่อย่างน้อยก็ให้กูนะันมันดีนะเป็นคนดีแต่ก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่า กูเป็นคนดีนะทำดีอะดีแล้วนะแต่อย่าไปยึดว่ากูเป็นคนดีนะพอพอคิดแบบนี้แล้วเนี่ยมันกีเลก ข, ขึ้นทันทีแล้วก็ไอความดีหรือความรู้สึกว่ากูเป็นคนดีนี่แหละมันที่มันสามารถจะกัดเจ้าของได้สามารถทำให้เจ้าของเป็นทุกข์ได้เพราะเวลาเจอคนที่ดีกว่าตัวเนี่ยก็จะอิดช้าเขานะ หรือว่าพอคนอื่นไม่ดีเหมือนตัวโดยเฉพาะคนที่ใกล้เช่นลูกนะคนรังนี่เขาไม่ดีเหมือนตัวไม่ดีย่งที่ตัวเองอยากจะให้ดีเนี่ยก็จะทุกข์นะหลายคนสึกอับอายนะฉันเป็นคนดีเป็นนักปฏิบัติธรรมถือศีลหถือศีลแปแต่ลูกเนี่ยมันดันเกเรเมาเล่าหรือว่าลูกสาวนี่ดันท้องก่อนแต่งหรือว่าท้องในวัยเรียน มีนะเขาสึกโหยโกรธลูกมากเลยเพราะรู้สึกว่าเสียหน้ามากนะชนอุสานี่ใครๆก็รู้ดีว่าฉันเป็นนักปฏิบัติธรรมแต่ทาไมแต่ถ้ารู้ว่ามีลูปแบบนี้นี่นะฉันจะดูจะสู้หน้าคุณเรงไรเนี่ยไอ้เนี่ยความรู้สุว่าเป็นคนดีเป็นนักปฏิบัติธรรมเนี่ยมันพลอยทำให้เป็นทุกข์นะแล้วก็พลอยเกลียดลูกนะบางคนบังคับลูกให้แทงให้ทำแทงเลยนะ ตัวเองถือศีลแนะมดยุงก็ไม่ตบไม่บี้แต่บังคับให้ลูกนี่ทำแทง้งเพราะกว่าคนนี่จะไปเยยหยันว่าเป็นนักปฏิบัติธรรมภาษาอะไรนะลูกนะปล่อยให้ลูกนะซ้ำ ส, สอนเนี่ยคนที่เป็นนักปฏิบัติธรรมนี่พอไปยึดมันถือมาว่าฉันเป็นคนดีเป็นนักปฏิบัติธรรมนี่หน้ามันจะบางนะตัวตนมันจะสูง แก็มีคนนึงนะเขาก็ตั้งสติได้โอ้นี่ฉันนี่ปฏิบัติธรรมยุงไม่บี้ยุงไม่ตบมดไม่บี้นี่แต่จะไปบงังคับให้ลูกนี่ทาแท่นี่มันทำได้ยังไงตั้งสติได้ก็ก็ไม่ทำแต่ก็มีหลายคนทำนะเพราะกลัวเสียหน้ากลัวว่ากลัวคนจะหาว่าฉันเป็นนักปฏิบัติธรรมภาษาอะไรความยึดมาว่าฉันเป็นนักปฏิบัติธรรมจะเป็นคนดีนี่ต้องระวัง เพราะว่าถ้าไปยืดมั่นถือมันมากนี่มันสามารถทำให้เกิดปัญหาได้เพราะนั้นเนี่ยเป็นแค่คนดีไม่พอนะมันต้องพัฒนาจนถึงขั้นว่าไม่เป็นอะไรเลยนะอย่างที่หลวงพ่อย้าแล้วย้ำอีกในตอนท้ทายของชีวิตท่านว่าไม่เป็นอะไรเลยไม่เป็นอะไรกับอะไรคนดีก็ไม่เป็นนักปฏิบัติธรรมก็ไม่เป็นนะไม่เป็นอะไรเลยเพราะเป็นอะไรมันก็สามารถจะทุกข์หรือว่าทำให้คนอื่นทุกข์ได้ทั้งนั้น